ที่แปดสิบก้าหลวงพ่อกเกษมรู้สึกเธอจะยั่วเราจนวินาทีสุดท้ายเลยนะเอาสิมีอะไรจะพูดก็ยั่วอีกก็ว่าเสให้หมดไปแล้วจะได้ไม่พูดไม่ได้ยั่วหลวงพ่อดำพูดประชดก็ยั่วหลวงพ่อแล้วผมมีความสุขนะครับแต่เอาเธอถ้าหลวงพ่อไม่สบอารมณ์ ผมก็จะหยุดพูดหยุดยั่วจะเปลี่ยนเป็นถามแทนผมขออนุญาตถามนะครับเธอจะถามอะไรก็ถามได้เลยเราอนุญาตคือผมจะถามเรื่องผีดิบครับในภูมิสาเอดเราเขาจัดไว้ในภูมิไหนครับแต่ที่แน่ๆคือต้องเป็นทุกติภูมิอย่างแน่นอนเธอคิดว่าภูมิไหนดีละ่ะอาจารย์ย้อนถาม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 ส่วนพวกผีดิบมีร่างกายเป็นกายเนื้อแต่เป็นกายที่ไม่มีวิญญาณครองจึงไม่ใช่สัตว์เลยราชานวิญญาณจะเข้าร่างเพราะตอนที่ออกไปหากินเท่านั้นผมจึงจัดพวกเขาไว้ในภูมิอสุรกายหลวงพ่อว่าผมพูดถูกไหมครับเธอคิดว่าเธอคิดถูกหรือเปล่าล่ะหลวงพ่อในป่ายัวบ้างผมก็คิดว่าผม คิดไม่ผิดหรอกครับถ้าเป็นหลวงพ่อหลวงพ่อจะคิดอย่างไรครับเราก็คงคิดอย่างที่เธอคิดนั่นแหละเพราะความจริงมันเป็นอย่างนั้นแล้วเราก็ไม่เคยคิดอะไรที่ผิดไปจากความจริงครับทีนี้ผมก็หมดสงสัยแล้วเห็นจะต้องกลาบลาหลวงพ่อไปก่อนและผมจะมาทําการบ้านส่งนะครับ ท่านกราบอาจารย์สามครั้งแล้วจึงเดินหายเข้าไปในป่าหลวงพ่อเกษมเพิ่งสงน้ำเสร็จครั้นเห็นภิกษุอคันตุกะเดินมาก็รู้ด้วยวารปัญญาว่าอคันตุกะรูปนี้ไม่ใช่ธรรมดาเพราะถ้าท่านเป็นพระธรรมดาลูกศิษย์จะไม่ยอมให้เข้ามาโดยง่ายอย่างน้อยเขาก็ต้องมาเรียนให้ท่านทราบเสียก่อนท่าน ไม่ได้รับแขกมานานแล้วเพราะคนที่มาน้อยคนนักจะมาขอธรรมะส่วนใหญ่จะมาขอหวยประชาชนคนไทยชอบเล่นหวยกันเลอกเกินมีทั้งหวยรัฐบาลที่ถูกกฎหมายและก็หวยเอกชนที่ผิดกฎหมายซึ่งตำรวจปราบแล้วปราบอีกก็ยังไม่หมดไม่สิน้นเลยต้องทำเอาหูไปนาเอาตาไปไร่เสียบ้าง ท่านพระครูคุกเขา่ากราบเบญจางคประดิษฐ์สามครั้งแล้วกล่าวว่าผมพระภิกษุเจริญทิตตธรรมโมจากวัดป่ามะม่วงมากราบหลวงพ่อครับพระครูเจริญกำลังเดินทุ ด, ดงอยู่กับหลวงปู่เทพโลกอุดอรนั่นเองหลวงพ่อกเกษมพูดเหมือนกับรู้จักท่านและอาจารย์ของท่าน หลวงพ่อรู้จักผมกับหลวงพ่อดำเหรอครับคุณคิดว่าผมรู้หรือเปล่าล่ะผู้อาวุโสย้อนถามคงรู้นะครับและที่สำคัญหลวงพ่อรู้ว่าหลวงพ่อดำคือหลวงปู่เทพโลกอุดรซึ่งเรื่องนี้ผมเองไม่ค่อยแน่ใจสงสัยอยู่เหมือนกันว่าท่านต้องเป็นหลวงปู่เทพโลกอุดรและผมก็สงสัยมากไปกว่านั้น สงสัยว่าหลวงปู่เทพโลกอุดรหรือคือพระอุตระซึ่งเป็นพระธรรมทูต ท, ที่พระเจ้าอาโศกมหาราชส่งมาเผยแผ่พระพุทธศาสนาอย่างดินแดนสุวรรณภูมิเมื่อปีพุทธศักราช234ใช่ไหมครับถามตรงกับข้อสงสัยของท่านพระครู ให้หลวงพ่อทราบภิกษุวัย45รู้สึกแปลกใจทำไมผมจะไม่ทราบละ่ะแต่พระธรรมทูตที่พระเจ้าอาโศกมหาราชทรงส่งมายังดินแดนสุวรรณภูมิมีสององค์นักครับหลวงพ่อผู้อ่อนวัยกว่าทวงถูกแล้วท่านมากันสององค์องค์หนึ่งชื่อพระโสนะ พระธรรมทูตองนี้ท่านไปเผยแผ่ในพมา่าส่วนพระอุตระท่านเผยแผ่ในไทยทุกวันนี้ท่านก็ยังอยู่กับพวกเราแต่คนเห็นท่านยากเพราะท่านจะไม่ให้ใครเห็นนอกจากบุคคลผู้นั้นจะมีบุญวาสนาจริงๆคุณเป็นผู้ที่มีบุญวาสนามากนะขอบคุณครับเอหลวงพ่อครับ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 หลวงพ่อกเกษมรู้ความคิดของภิกษุอคันตุ ก, กะจึงกล่าวว่าไม่ต้องงงที่ท่านบอกว่าผมไม่รู้จักท่านท่านหมายถึงว่าผมไม่เคยเห็นท่านท่านตอบคุณไม่ใช่หรือว่าที่ท่านไม่รู้จักเพราะท่านกับผมไม่เคยเห็นกันและกันพระอรหันต์ไม่พูดปดหรอกคุณอยากคิดว่าพระอรหันต์จะพูดปดนั่นสิครับแหม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 คือมีศีลเป็นน้ามีศัทธาเป็นท่าน้าไปอาบพระองค์ไม่เคยขัดคอใครใครก็ว่าอย่างไรก็ไม่ทรงขัดเขาแต่ขณะเดียวกันก็ไม่ทิ้งหลักการของพระองค์คุณก็เหมือนกันเวลาไปสอนชาวบ้านก็อย่าไปขัดใจเขาเขาจะว่าอย่างไรก็อย่าไปขัดขณะเดียวกันก็ต้องยึดหลักของเราไว้ ถึงคุณจะบริสุทธิ์หลุดพ้นแต่คนที่อิจาริศยาก็ยังมีคุณจะต้องผจญกับพวกนี้จนกว่าจะตายกันไปข้างหนึ่งพวกมิจฉาทิฐิเนี่ยมีทุกยุคทุกสมัยอย่าเพิ่งหมดกำลังใจซะก่อนละ่ะรับหลวงพ่อผมจะอดทนจนกว่าจะตายจะใช้กรรมให้หมดเพราะชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายของผมแล้วกรรมของคุณหนักมากนะแล้วคุณจะต้องใช้ เพราะไม่มีใครเข้ามาทำให้คุณคุณเป็นคนทําก็ต้องจดใจด้วยตัวคุณเองผมดูแล้วคุณต้องเผชิญกับปัญหาทุกด้านเลยในที่สุดก็สามารถเอาชนะอุปสรรคทั้งปวงได้คุณเป็นนักต่อสู้ที่ยอดเยี่ยมมากผมขอชมเชยหลวงพ่อก็เป็นนักสู้ที่ยิ่งยวดนะครับสู้กับโรคภัยไข้เจ็บผมได้ยินมาว่าหลวงพ่ออาพาธเป็นมะเร็งในกระดูก แต่หลวงพ่อสามารถข่มเวทนาได้นั่งคุยกับผมได้เหมือนกับว่าไม่ได้เจ็บป่วยอะไรผมชื่นชมในความอดทนของหลวงพ่อครับคนเรามีกรรมต่างกันนะคุณเอาละ่ะคุณไปส่งน้ำเถอะเดี๋ยวผมจะเตรียมน้ำปานะถวาย หลวงพ่ออย่าลำบากเลยครับผมเกรงใจไม่ต้องเกรงอกเกรงใจอะไรหรอกธรรมเนียมไทยเราต้องต้อนรับขับสู้ผู้มาเยือนมีท่านสอนไว้ว่าเป็นธรรมเนียมไทยแท้แต่โบราณใครมาถึงเรือนชานต้องต้อนรับทางน้ำท่าตามมีและตามเกิดให้เพลิดเพลินกายากว่าจะกลับคุณไม่ได้เคยได้ยินหรือ เคยครับเมื่อเคยก็ไม่ต้องเกรงใจไปเถอะตามสบายนะท่านพระครูจึงกราบท่านสามครั้งแล้วลุกออกมาเพื่อส่งน้ำสมภารวัดป่ามะม่วงใช้เวลาส่งน้ำสิบกวนาทีกรองผ้าสามผืนเรียบร้อยแล้วจึงกลับมานั่งที่เดิมหลวงพ่อกเกษมไม่ได้ลุกไปไหนหากเบื้องหน้าท่านมีน้ำผลไม้วางอยู่สองแก้วนมน์ฉันน้าป่านะ พูดพร้อมกับส่งแก้วบรรจุน้ำผลไม้ให้ส่วนอีกแก้วหนึ่งท่านฉันเป็นเพื่อนอคันตุกะท่านพระกรโรเริ่มตั้งคำถามในใจหลวงพ่อองค์นี้จะต้องเป็นพระอภิญญาอย่างแน่นอนดูเถอะนั่งอยู่เฉยๆก็มีน้ำมะนาวมาวางอยู่ตรงหน้าแสดงว่าท่านต้องเสกมาเพราะถ้าลุกสิทธ์เอามาถวายก็ต้องนำมาถวายแก้วเดียว คิดดังนี้แล้วก็ยกแก้วขึ้นดื่มอย่าไปสนใจเรื่องเล็กๆ น, น้อยๆเลยคืนนี้คุณพักที่นี่ก็แล้วกันมีเรื่องจะคุยกับผมไม่ใช่หรือแล้วไหนจะต้องทำการบ้านส่งหลวงปู่เทพลูกอุดร อ, อีกกว่าจะเสร็จก็ค่อนรุ่งกระมังหลวงพ่อเกษมพูดเพราะรู้จุดประสงค์ในการมาของท่านพรกครูสมภารวัดป่มามะม่วงจึงพูดออกตัวว่า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 ก็คุณเรียนท่านว่าหลวงพ่อในป่าไม่ใช่หรือในเมื่อท่านเป็นพระในป่าก็แสดงว่าท่านชอบอยู่ป่าจะให้มาอยู่ในวัดท่านไม่มาหรอกเหตุนี้ท่านจึงไม่มากับคุณส่วนที่คุณสงสัยว่าทำไมจึงรู้จากผมก็ขอตอบว่าท่านรู้จักพระสงฆ์ทุกรูปในโลกที่ทำการบ้านเรื่องผมส่งท่าน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 การบ้านของผมมีชื่อว่าคาถาบูชาหลวงปู่เทพโลกอุดรพอผมนึกถึงท่านคาถานี้ก็ผุดขึ้นในใจผมไม่ได้เป็นผู้รจนาหรอกมีคนเขารจนาไว้นานแล้วอยู่ๆก็ผุดขึ้นมาในความคิดและผมก็จําได้ทุกตัวอักษรคุณพร้อมแล้วที่จะจดได้เลยก่อนถึงตัวคาถาให้เขียนตั้งน้โมสามจบเรื่องตั้งน้โมสามจบก็มีที่มานะ เกิดที่สุขสารไตรลักษณ์ของผมนี่เองคุณอยากฟังไหมล่ะอยากฟังครับหลวงพ่อกรุณาเล่าให้ผมฟังเพื่อประดับความรู้ด้วยเถิดครับแต่ถึงคุณไม่อยากฟังผมก็ต้องเล่าเพราะคุณต้องมีหน้าที่สอนญาติโยมเขาส่วนผมเลิกสอนแล้วสังขารไม่อำนวยหนึ่งอีกอย่างหนึ่งคนสมัยนี้เขาไม่ต้องการเรียนรู้ไม่สนใจเรื่องการพัฒนาตน สิ่งที่เขาสนใจคือวัตถุเขาอยากได้วัตถุไม่อยากได้ธรรมะสมัยที่ผมยังแข็งแรงผมเคยสอนนะแต่เชื่อไหมคนที่มาเนะ่ะเขามาขอหวยกันมาขอเลขเด็ดผมพูดอะไรออกไปเขาก็ตีเป็นตัวเลขหมดพากันไปเล่นหวย ใ, ใต้ดินบนดินบ้างพอถูกก็เมาส์เอาว่าผมครั้งเลยยกขยงกันมาใหญ่ ผมเห็นท่าจะไม่ดีก็เลยงดรับแขกแต่ถ้ามีคนมาขอธรรมะผมจะให้ถ้าขอหวยไม่ให้แล้วเกี่ยวข้องกับมโนอย่างไรครับท่านพระครูวกเข้าหาเรื่องเดิมคือมีในอำเภอคนหนึ่งเขาพาลูกน้องมาถวายสังฆทานแต่เขาไม่รู้เรื่องพิธีกรรมเลยคำกล่าวก็ไม่เป็นผมจึงบอกเขาว่าให้ตั้งนโมสามจบก่อนถวาย ก็ทําตามเขาว่าอย่างไรคุณรู้ไหมหลวงพ่อเฉลยดีกว่าครับเขาก็วันนโมนโมนโมสามจบจริงๆผมก็ขาทั้งสังเวทใจผู้นําไม่รู้เรื่องพิธีกรรมและจะนําเขาได้อย่างไรผมว่าคนแบบนี้ในะอําเภอคนนี้ก็ยังมีอีกมากนะมากมายมหาศาลเลยครับหลวงพ่อผมเป็นพยานได้ อย่างที่วัดของผมก็เหมือนกันคนนี้เป็นอธิบดีครับมาแบบเดียวกับในอำเภอเลยผมบอกว่านโมสามจบเขาก็บอกนโมนโมนโมผมก็จดจําไว้ว่านี่คือข้อบกพร่องของพระสงฆ์ที่รู้แต่จะรับแต่ไม่รู้จักจะให้พระสงฆ์จะต้องให้ด้วยนะครับไม่ใช่รู้จักรับอย่างเดียวผมรู้ตระหนักในเรื่องนี้ดี ผมเลยถือโอกาสสอนอธิบดีเสียเลยถ้าเขาจะโกรธก็ไม่มาวัดผมอีกเลยผมก็ไม่สนใจเพราะถ้าเราให้ของแท้แต่เขาไม่ยอมรับอยากจะรับของปลอมผมก็ต้องตามใจเขาและหลวงพ่อทำอย่างไรกับในอำเภอคนนั้นผมก็ทำอย่างที่คุณทำนั่นแหละคือสอนเขาแต่ในอำเภอนั้นเขามีทิฏฐิสูงเขาโกรธผม หาว่าฉีกหน้าเขาคนเราเราได้มีทิฏฐิก็จบกันผมก็เลยปล่อยเข้าไปปลอบใจตัวเองว่ากรรมมุนาวัตตีโลโกสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรม